ก็ตามมาสู่กันปังเหมือนกับอาหารมาสูกก่กันกินเพื่อ้เลี้ยงลูกก็คดขวยเรื่องนี้กันพอสมควรถ้าได้อาหารให้ลูกกินนะก็พอใจถ้าวันไหนไม่มีอาหารให้ลูกกินก็นอนไม่ค่อยหลับ คนควายกันโคโลดอ่ะเป็นอาชีพอาชีพของเราคือสิษาเลยทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตมีธรรมะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเป็นอาหารถ้าทำในไม่รสชาติเดี๋ยวโอโอรส เหมือนโคโอรสเหมือนโอขะยอดโอรสเหมือนโนมโคห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแม่มามามาสรุปมาย่อยให้มันได้อันเดียวเป็นนมโอรสต่ว่านมโคพระเจ้า พิมพิสารเด๋อเอาไปลดหนอโคให้หนอโคเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ที่พุทธคยาพระเจ้าพิมพิสารอา่ให้จำได้ว่าหนอหน อ, หนอแมนบอหรือพระเจ้าอะไรนะอา่ารักค่อนโผาก วิธีที่ให้หน่อโพมโันคกอรก็นมโคเนี่ยหลายแม่หลายตัวมารวมกันมาปรุงจะเป็นอันเดียวกัน <c oughs> ยกว่าโครถจอดโอชาแห่งโครดนี่คือธรรมะอย่าให้อดท่ายากพวกเรานะเหมือนกันเรามีอาชีพต่างๆ เพ <c oughs> ื่อไม่ให้มันยากจนเราก็กลัวของยากจนกลัวอดกลัวอยากแล้วต้องกินต้องใช้ <c oughs> ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติของเรล่าภายนอกที่หามาได้ด้วยเหยื่อเกื่อนงานของต้อ ง, องลดตัวเราตามความสามารถ บางคนก็สะดวกการชีพเงินเดือนอาอยุกเกษียนแล้วก็มีเงินเดือนใช่ไม่ลำบากมีคนคนหนึ่งเ <c oughs> อ, พ, อพ่อชื่นสมัยไปตั้งวัฒนาใหม่ใหม่เราเป็นเงินแปดสิบหมื่มมมน 80, จกไม่นั่นน่ะสมสิบปีมาแล้วเขาก็มาวัดถูกกันดีดีกับหลวงพ่อนยมวัวยมวัวมขาช่ย ม, ย ม, ย ม, ยมื้นพอคุยกันธรรมะเขาบอกว่าเขาเงินแปดสิบมา่นแปดสิบหมื่ น, น, นจะกินนี่ไม่อดเขา กินข้าวก็ไ <clic> ม <ayud> <c oughs> ่ต <Lost> <c oughs> ้องล้างจานเขาไม่ต้องก่อไฟไม่ต้องอะไรขายกินเลยนี่อาชีพของเขาเขาทำไมจิงเหมือนว่าเขาขายที่แล้วก็แบ่งให้ลูกให้เต่าหมดทุกคนไม่อดไม่อยากยยมัวเขาวามีสรโลของเขาอะยมัวหัวก็โล เชาโลกว่าบ้าแต่งกายาบรรทุกตะธรรมายิ่งมุ่งแต่สิ่งหลุดพ้นกลางบนเลยเวลาเครื่องน่งเหะเขาลงพ้ามห้อมพ้าขาบบางลัดเดีวขึ้นรถเม์เขาก็ไม่นั่งไม่นั่งเก้าอี้เขาให้คนอื่นนั่งเขาไปนั่งเบียดปะท้าย เขานุ่งเสื้อผ้าใบสาแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเปิดเพื่อนอะไรง่ายผ้าม้าหอมเวลาเขาพูดธรรมะ <c oughs> เขาก็เอาหงวกระโหลกเวลาเขาพูดเนี่ยไปบรรยายธรรมด้วยกันมีโต๊ะหงวกระโหลกวางไว้ข้างหน้าก็พูดธรรมะ ให้มันเห็นมันไม่มีอะไรคนเราเขาวางนั้นแล้วเขาก็ <c oughs> างูทำทานสามเหลี่ยมกัดกั น, นเขาเดินมากลางคืนในสวนเขามีสวนก้างๆวัดสนามไหนงูทาทานกัดเขามันก็ปวดตุ ก, ตก เขาก็เห็นเป็นงูทำฐานงูสามเหลี่ยมเขาก็บอกว่าเขาไม่รอดหรอกเขาก็ไม่กลับบ้านเขาเดินจากวัดมาบ้านพอ ง, งูมากัดเขาที่กลางทางในสวนเ้าก็เดินกลับวัดไปไม่กลับบ้านพอจะต้องตายแล้วทีนี้ก็ไปไปเรียกพระครูเจ้าอาวาสให้หาเห็บศพมาให้ด้วย ทำไมล่ะจะไปนอนในหีบศพเพราะว่างูกัดแล้วคงไม่รอดหรอกเจ้าวาดก็พยายามพาไปหาหมอเขาก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ต้องไปก็ได้มันจะตายอยู่แล้วเ อ, อยอนในหีบศพรอให้มันตายเสก่อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปเข า, าจะขนควยายไงเขาก็ไม่ไปที่สุดเขาก็้นอนหีบศพเลย ล้วก็รอให้มันตายสบาย น, นี่ก็มีมีอูสดธรรมะเป็นยอดโอเชะแห่งโครดดาใสทาอย่างเดียวไม่เป็นไรนะเขาก็นอ น, นบางทีมันต่อตึกตึกเนี่ยก็ว่ามาลามลำบุญเขาก็ดูสนุกสนานไปมันก็ไม่ตะกากัวนะเนี่ยนี่ยมยอมัวองอกหลก อันนี้อาหารคคอธรรมะไม่จนไม่อดไม่อยากแม้อะไรพอที่จะเขาพม่ทุกข์ทั้งหลายไม่มีทุกข์นะเหมือนคนเราก็น่ถ้ามีความสามารถเห็นคนจนอืมสูดให้เขาท้งไม่มันยังจนเน่ะมือข้านิ้วสิบนิ้วเนี่ยเราทำอะไรได้อยู่นะหลวงพ่อเคย ไปสอนน่องๆอะไรทำไมเราจึงจนมือห้านิ้ว10บนิ้วเนี่ยมันทำได้นะนาก็มีนาดีด้วยนาเนี่ยถือว่าเป็นนาเอกเลยในบ้า น, นไม่ น, น้ำปลาปลมีน้านบาดาลสูบเขาไปเจนาะน้าบาดาลสูบไปหมดเลยสูบง่ายตื้นๆมองเห็นสูบ งการเขาเห็นมันบ่อหน้ามาดานที่ดีมากเขาก็เลยมาตั้งเครื่องสูบน้มไปบ้ามาทำหอให้เอาท่อ ว, วางทำถนนนนทางเข้าไปทำไมสูจึงจนทำไมจึงผลอยากทำไมรอให้มันไม่เหลือปลูกลงไปปลูกอยู่ปูกกิน <c oughs> อันนี้ก็อันพูดไปเนาะ <c oughs> ทำไมเราจึงไปยอมจนทำไมได้ไปยอมทุก ทำไมจึงยอมโกรธทำไมจึงยอมหลงเรามันไม่น่าจะหลงนะคนเรานะ่ะมันอาชีพของเราเนะ่มันทำได้แท้ๆอาชีพสิขาเลยทำไนงะเป็นคือเรื่องชีวิตของเราส่วนนี้เอาอาชีพภายนอกเราก็อ้อพอสมควรหลายคนที่ไม่ต้อง รู้ดีรบกลอนกันรับจ้างหาธรรมาหาจินอย่างอาจารย์พ อ, อสอยหยุดท่านเป็นผ อ, อวิไลยพยาบาลพระบาทนี่ก็เขียนหล่ะก็สบายมอยู่วัดเถอะว่าไม่เดือดร้อนไปอยู่ในบ้านก็ไม่เดือดร้อนไปไหนไม่เดือดร้อนจะกินอะไรพอได้อยู่ได้กินไม่พุ่งเฟ่อยให้เป็นประโยชน์ อย่าไปกินเหล้าอย่าไปสูบบุหรี่อย่าไปกินหมากอย่าไปติดสิ่งเสพติดเราก็เห็นมันอะไรที่มันดีเราเห็นอะไรที่มันชั่วเราเห็นมันก็มีจริงๆคนทำดีในโลกเนี่ยมีจริงๆคนทำชั่วเห็นไหมคนทำดีเห็นไห ม, ค น, หนไหมคนทำชั่วจังไปจาง พุทธดีเนี่ยทำไมได้ลูกเป็นพระเวชสันดนดรพระนางสีมหามายาทำไมได้ลูกเป็นสีตะตะเป็นพระพุทธเจ้าคนเหมือนเราไม่มีอะไรต่างกันเลยให้มั่นใจขนาดนั้นการได้คิดมาเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วชาตินี่เป็นชาติที่สมบูรณ์แล้วอยากจะตะโกนให้ หันมาดูตัวเองมาปฏิบัติตัวเองสร้างตัวเองให้มีธรรมะเนี่ยมันจะไปจนทำไมอันจนศิลจนธรรมไม่น่าจนหรอกอันจนต่อก็ว่ออาหานอะไรจะจนบ้างหลายอย่างที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่า อักขีไภัยไฟไหม้อูทกกกะภน้ำท่วมบาตะพัยลมพัดโจละภัยจนพ้นลาชไภัยลาดลีดไถอันนี้ จ, จะจนเลยนะา จ, จะจนเลยน้ำท่วมแต่ว่ามันไม่ยนหมดมันเสียแต่ของเด่นน้ำมันท่วมได้ อันเดินยังอยู่ไฟไหม้ก็ไหม้แต่ของที่ไฟมันไหม้เป็นเชื่อไฟอันที่ไฟไหม้ไม่ได้ก็มีอยู่เท่นดือดสวนไรนาที่ดินลมพัดมังกรพัดเฉพาะของที่มันพังบ้านเดือนโจนพ้นก็มันเอาของที่มันต้องการเงินทองอะไรไปลาเชี่ยไฟขูดดิบปาจีรกร ก็เสียเจพอแอันจนที่มันที่มันเสียทุกอย่างคือจนเพราะโลภโทสะโมหะอันนี้ไม่อันไม่ไม่หมดเลยเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโลภเกิดขึ้นเมื่อความหลงเกิดขึ้นไปทําชั่วทําชั่วดีก็ติดคุกติดตารางลงโทษจับกุ่มกลุ่มขัง ต้องขายทุกสิ่งทุกอย่าง อ, อันนี้บ้ายที่สุดนะราคาโทสะโมหะไ้ราคาโทสะโมหะ ไ, ไม่เช่นวนเป็นไฟที่อยู่ในชีวิตจิตใจของเราลามเลือกสวนไลนาและไลนาและหัวควายโลหวควายลามได้หมดเลยไม่หมดเลยมีไหมเห็นไหมอยู่ในคุกหรือในตารางมีไหมมี เพราะอะไรเพราะราคาโทษสาโมหะมีเหมือนกันหลวงพ่อยังเคยไปเทศในเดือนจำอุดรสมัยก่อนเนี่ยมันไฟแรงพอจมควรนะแต่ไปเป็นหนุ่มนะเลยเทศ้ายเสดไล่คุกในตาลางไปเลยไปเห็นนักโทษ อ, อยู่ในอุดอเรเดือนจำ อะไรเขาเขาเรียกอะไรที่เป็นคนคุมนักโทษในเรืนจำเขาพาไปดูเรือนผู้หญิงเรือนผู้ชายพาไปดูนักโทษที่มันรุนแรงเขาก็ลาดปูนกางแก้งเอาเหล็กกงเหล็กใส่เหมือนขังขังสัตว์แคบแคบนั่งก็นั่งหัวรถอย่นะีไม่ลุกไม่ได้นั่งตัวหัวรถ ทำไมจึงอยู่เนี่ยเพราะมันหลุนแหลกมันร้ายอยู่กับหมูไม้ได้ข้าหมูตีหมูเอามาขังแต่แดดเหงื่อไหลนั่งเบียดลูกกงเจริ่งตรงตรง ไ, ได้ล้คอหงดดแดดเพิม่มเบีย ม, ยมขังแล้ใส่ตัวนีอีกโอ้คนเรานะ่ะมีไหมมีคนแบบนั้นก็มีทำไมจึงเบ็นดมันมัเพราะอะไรเพราะเขาเกงคนดีๆมีไหม ในโลกเนี่ยมีมีวาโกดีวาชิกาพระพิจุสำเห็นดีไม่ขีดีคนดังดังหลายคนไม่ขีผู้หญิงคนดังๆังมีผู้ชายพระนมพระแ่มีเราก็ดูออกถ้าไม่มีเดนจะดูดูดน่นดูคำสอนเราสาะทยอยทำคำวันเช้าทำวัเย น, เ, นเอามาสิอะ ม่ขันหน้าขันไม่ขันขันเดียวมีขันสี่ขันท่องเที่ยวท่องเที่ยวในพภพน้อยภพใหญ่ขันหน้าขันคือเราเนี่ยห้าขันมีขันหน้ามีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารมีญาณขันสี่ขันพวกเทวดาพวกผมพวกไม่ไม่เกิดไม่ต้องเลี้ยงนมไม่ต้องอะไรเกิดขึ้นมาก็ใหญ่โตตายไปก็ไม่ทิ้งพวกเทวดาพวกผมพวกเป็ดพวกจุลกายพวกเดรัจฉาน ที่มันเป็นภูมิของกิตของเราเนียขันจีขันพวกเนี่ขันนับตงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นขันจีขันท่องเที่ยวอยู่ขันขันเดียวคือจิตที่มันคิดตู่นคิดนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีลูกนอนก็ไหลเนี่ยมันท่องเที่ยวเทวดาบัดเนี่ย เราอุทิศส่วนบุญขอเทวดาจะบอกจัดเราหน้าในโลกเทวดาเทวธรรมทั้งหลายไม่เหม่ไม่ใช่เทวดาลูกาเทวด า, าลึกภูมิเทวดาอะไรต่างๆอันนั้นไม่อยู่แต่เราไม่เห็นแต่เทวธรรมเนี่ยหฮลิโอตปะหิลิควมามายแต่ใจของตัวเราโอตปะความเยกลัวตวบะไม่กล้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว ในความชื่ทั้งหลายเป็นเทวธรรมในหัวใจเราไปไหนก็มีเทวดาเฝ้าดูถ้าจะคิดอย่างใดลูจึกตัวเลือกได้นี่เพราะนี่ดูแลตัวรูแดเรียกว่าโล ก, ก บ, บาลคุ้มครองโลกเทวธรรมนี่ผลการคุ้มครองโลกถ้าคนทั้งหลายมีเทวธรรมในใจนี่สันติสุขเกิดขึ้นเลยไม่ใช่เทวดาอ้ อ, อนวอนนะ ไปแขนพระอะไรฮะอันอันอันอะไรแข่งดวงจิตลำลำไม่ลำไม่ <c oughs> <c oughs> มเทพเลยอ่าเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี่มันมันก็โกษณาชวนกันเชื่ออะไรไปไกลไปเลยลืมตัวเองลืมเชื่อตัวเองนะทำไมไม่เชื่อเราเอาไปเอาใจอะไร เ อ, อางาใชการกระทาของเราพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมคือการกระทําของเราเนี่ยมาที่มาทําดีด้วยกันเน่ยมาปฏิบัติทำเนี่ยไปอ้อนวอนอะไรมันมีเป็นข้างเป็นข่าวโจรนาบางทีสมัยบางครัง้งมันก็เห็นหลวงพอง่อตะลังพวกนั่งร้านก็มาขอต่อพระขออะไรไปพระดัง แกกันรุ่นนั่นรุ่นนี่ไปเอาลูกอะไรไปขายถาอาคมไปเรียนไปอาศัยขายถาหรืออ้หลวงพ่อเคยหลงมาแล้วเรื่องเนี่ยเป็นหมอวิทยาศาสตร์นะโอ้ถ้าไม่เปิดหลวงพ่อเทียนเนี่ยคิดว่าจะเพียนขี่ ภัยยาข้ามแม่น้ำของชิดอยู่ในใจต้องให้มันดีที่สุดเลยเลียนมาขี่ยวบังไม่ภัยข้ามแม่น้ำของไปภูเ ข, ขาห่วยอาเรียนสิษยศาสตร์มันคิดอย่างนั้นมันเคยเสียเปรียบผีผีมาทำให้หลานตายว่าผีผีนาไปซื่อนา ไปชื่อนาแปลงใหม่ก็หลานเอาหลานกี่ควายไปใช้นาด้วยลูกแม่สุดเนี่ยแม่สุดนะกี่ควายไปตอนเจ้ามันไม่ไปมันก็มันไมาอยู่กับแม่มันมันมาอยู่กับแม่ใหญ่มาอยู่กับเรามันเรียกแม่มันอีสุดอีสุดมันเรียกกับเราเราเอิน้นเราเรียกว่าอีสุดอีสุดแม่สุดแต่ก่อนเราเรียกอีนะบมันนอกนะ เอนเอ็นัวไปจุดเอพี่อ้พพีอี่อ อ, อุดพีไมันก็เรียกแม่มันอ้จุดอุ้ดมันก็เรียกข่อมันพีอพไมันอยู่กับเร า, า, า, ามันก็ไปทำงานมันป่วยแล้วก็เอาเอาหมอลำแต่ก่อนมม่ไม่มีหมออนามัยอนามัยไม่มีหรอกบ้าน น, นนอกวานา มาลำ ม, มาลำเราก็อายุสิบห้าสิบหกปีบวชเป็นเดลนศึกไปใหมให่ก็เรียกเราไอเสี eng, ้ยงไอเสี้ยงเราเป็นเสี้ยงไอเสี้ยงไอเสี้ยงเวลาแม่มันมาตักข้าวมันข้าเล่าเดียวกันยุ่งเดียวกันมันก็ด่าแม่มันอีสุดอีสุดมึงมาเอาข้าวกูให้ยังคุณทบอกไอเสี้ยงสีบอกไอแม่กูอ่าก็บอกเขาก็อบอกอ เออมันก็ไปนาไปป่วยอจ้าเอาหมอลำ ม, มาลำอ่าเหลือก็เลยเถอะไปเนาะปูดไปนาะเออเอาหมอลำมาลำมันมันก็ว่าผีนามาทํามันแล้วก็ขอขอขอได้ขอไม่ได้เจ้าไปเลี่ยงช่างเด้งมากเขาลักเด็กคนได้มากข็ไม่ได้ลำอยู่ที่นั่นมีคนมาลำไ ม, ม่หมอสีเมืองแม่สีเมือง มาขออย่างไงไนขอก็ไม่ได้แล้วพอฟัง อ, อะไรมันขอไม่ได้เราก็นั่งอยู่กับหลานหลานก็นอนด้วยเมื่อรู้ว่าเป็นไหนโกรธขึ้นมาเนะไปแย่งเอาแขนจากหมอแขนเอามาตีใครหมอหล่อมเอะคายลงมันเลยหมอหล่อมหมอแขนบิ่งลงมันไปเลยนะ ทายหมอลำไม่เข้าสารมีขันบกักเบงไม่ตั่ ว, ม, วมีเทียนมไม่ดอกไม้พาเขาเนะไอเลยลลงบอไปเอย <c oughs> แม่แม่ก็บอกจับมันไว้ไนะจับมันไว้ไงแต่ไนมะ่ต้องจับดอกว่าสร้างผีโกดให้ผีอพอเราทำงานไล่ผีแล้วก็มันไปนานละวบัดฝนเม็ดขอมันมีกอไผ่ไม่ไม่ถูผีเลย เอาฟันกอไผลม้ลมลงทับตัวผีเอาไฟจุดไม่หมดเลยเพราะเราทำเราเราก็เอ้เราก็ฮิดกูกัวอยู่เอ้ผีมันไล่เลยเราก็เรียนหาหาเรียนจิยศาสตร์ไล่ผีกันนะไปไปเรียนทั่วไปเป็นญาติผู้ใหญ่ก็เอาคาถานั้นอาคาถานี้ไปเรื่อยผีเล่ยผีอ่ ปาาผีจนเมื่อพบหลงว่าเตียนเนี่ยโอ้สยเศสาสตเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทำดีไม่เบียดเบียนใครดีที่สุดคือเมตตาผอมวิหารสเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรู้เคอเจริญตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่อยาได้มีเวน้นต่อกันและกันเลยอย่าได้พระบาเบียดเบียนยาจ ทุกกายทุกใจรักษาตนในพ้นจากตัวไยทั้งเช่นเดินเราเรียนก็เรียนแบบนี้นะทำน้ำมนต์ไปไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้ไปไปฟันไม่ไครทุบผีเขาไม่ใครทำอะไรกัตั้งต่เรียนใส่ใมาเรียนคาถาธรรม ะ, ะเป็นคาถาที่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างอิติปโสดิพุทธคุณร้อยแปด รรมคุณ3ามแปดเนี่ยว่าไปอิทโถสมยุตัญญาังอิสันโตชาวกกยังว่าไปอย่างนี้นะคาถาหลวงพ่อนะอิทโธสมยตัญญาังก็คืออิเยอิอปโสภควาเนี่ยร้อยแปดว่าไปเป็นคำเป็นคำเป็นคำเป็นคำเป็นคาถาตามหน้ามูกน้ามนเวลาคนป่วยคนเจ็บคนไข้เขาก็หายนะเอาคนออกโลกคนลกเนี่ยเอาคาถาองค์องค์ีหมันว่าไง อาจารย์โนเทียองค์พิมานเฮ้ยกระทำองค์พิมานมนะใจแจ่มได้เลยอ่าองค์พิมานอ่าให้อาจารย์ปัญญาเล่าให้ฟังองค์พิมานเนี่ยฆ่าคนวันนั้นพระพุทธเจ้าไปเอามามาบวชมาบวชก็ไปมินเทบาตหญิงคนหนึ่งเมฆันแจก ขันแฉพอเห็นองค์คีรีมานไงไปหาดด้านนะไปตางน้านะก็จําได้ปะ อ, องค์คีรีมานเนี่ยโอ๊ยกลัวตัวจังเลยหาบคุถังหลุดจากบาปไปเลยเซไปเพียงกงินแผงวัดองค์คีรีมานก็พูดว่าน่องหญิงจงมีสุขเป็นสุขเถิดแม่แต่ลูกในครันของนางด้วยพอองค์คีรีมานพูดอย่างเนี้ย ยิงก็น็ยืนข้อลวกเลยสบายไปเลยสบายไเลยเราก็แล้วามาทำน้ำมนต์อะไรทำอาจารย์ปัญญาอาจารย์องค์กมาเน อ, อันนี้เป็นคาถาอย่างนี้ไม่ใช่อะไรทั้งหมดนะอา้าวคาถาอะไรก็ตามมันก็คือเรื่องการกทาของเราไม่เบียดเบียนใครไม่มีอะไรทำให้เราดอกในโลกนะัะน ถ้าเราเป็นคนดีเถอะละความชั่วทำความดีเนี่ยปฏิบัติทมนี่แน่นอนที่สุดเลยอยากจะมีอะไรเมื่อนมานเขาจะจ้างคนปฏิบัติตทรเนีเขายากเลยเขาทุกเขายากเขาทำงานทำการหายอยู่หายินเน่ยมีเงินแล้วไอเนาะ อ๋าเมื่อมาไปทิวัดทำมาอยู่นี่มาจินนี่อะเคยเคยช่วยคนอยสมัยอยู่งังเลยนะไอเจียมพ่อเจียมพ่อเจียมเกิดไปวันไหนมาขอแต่ข้าวที่วัดจินแล้วก็แบกให้ทุกวันทุกวันอาะพ่อเจียมไม่ทำมาจินหรือต่ไมามาเอาเข้าวที่วัดทุวันทุวันไม่มีไร่หรือถ้าว่ามี อันนี้เราก็อัว่าไม่มี้จบเราก็ซื้อจบให้เอาไปทำนะไปทำอะไรลองดูนะแล้วก็มาไปทาเหนื่อยแล้วมามาเอาเข้าวแต่ว่าเราก็ซื้อจบให้ก็ยังมาขอข้าวอยู่แล้วก็ทำอะไรเป็นบ้างไม่เป็นสักอย่างได้จะสนอนเราไหมที่วัดป่าพุริยันไม่มีไม้ไผ่นะ ไม่ไล่ป้องยาวๆไปตัดไม้ไร่มามาทํากระติบตข้าวเราจะสอนไหเราจะพาทําไม่เขาอยู่ในวัดเนี่ยไม่มีเม็ดเราก็ซื้อเม็ดให้เอาไปมาสอนนะเอาไปมาสุดท้ายที่สุดพูดคําเดียวว่าขี้ขั้นจังเลโอ้ยหมดตัวเนีตัวขี้ขั้ น, นเป็นอบายมุกยอดเยี่ยมอันความขี้เขียนตัวเนี่ นักเดงสุลานักเ ล, ง ก, เลงการพนันนักเดงโกเหยงคกผู้ช่วยเป็นมิตรเหยียดขัน้นทําการงานนะอันนี้อันตรายที่สุดเลยพวกเจียมเนี่ยเอาไม่ได้พัฒนาไม่ได้ต้องขอข้าวจินตลอดเวลาทําไงก็ทําม่ไรก็เลยบอกว่าก่อนจะจินข้าวอย่ามานั่งนี้เวลาพายจินข้าไปตักน้ําใส่ชั่วไม่ด้วยก็ตักน้ําเที่ยวหนึ่งสองเที่ยว ก็มานั่งขี้ข้านหลายขี้ข้านหลายโง่ทำอะไรเลยเนี่ยเกียดข้านเนี่เป็นอรไห้มุกยอดเยี่ยมที่สุดเลยเราเนี่ยก็เหมือนกันทำความดีอย่ากเกียดข้านไม่ออกแรงก็ได้รู้จึกตัวละความชั่วทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยความคิดก็ได้นะเนี่ยให้มันคิดดีๆคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ คิดถึงชินของตนคิดถึงทานของตนคิดถึงธรรมะที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นเอามาเอามาคิดเราทำวัดเท้าทําวัดเกณฑนนะ์อย่าอาดีตที่ล่วงไปแล้วอย่าอะไรอนาคตียังไม่มาถึงเขาอย่าเพวงปัจจุบันนั่งจะอยู่ทํามัให้ปัจจุบันอาการเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทําความรู้สึกตัว โยธรรมปัญจิติสมุทธรรมปัญจติรู้จักตัวไปเนี่ยให้คิดอย่างนี้จนที่สุดก็มนนรณาลุสติคิดถึงความตายเราเนี่ไม่มีอะไรกีรังยั่งยืน อ, อันรูปตัวเนี้ยมีอันเดียวคือธรรมะไม่ตายเมื่อคิดความตายเมื่อคิดถึงความตายเราก็ลังคนก็ท้อแท้หงอยเหี่ยวใจไม่ใช่คิดถึงความตา ย, าตายอ้ยมีธรรมะกันตายกันเก็บกัน แก่การเจ็บกันอะไรอย่างยมวงัวหอกโรคงูสามเดียมปวดเขาไม่ได้คิดถึงบางงูกัดเขาเขาจะบาอไม่ไม่ตายะตนะเพราะนั่นเนี่ยลองอันธรรมะอันตัวปฏิบัติทำเนี่ยเอาไปเถอะพวกเรานะอ่อพอที่จะอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไปบ้านแล้วกลับมาไปแล้วกลับมาปฏิบัติทมเนี่ย ไม่หลังเกียรติใครแต่ก่อนนี้เรามีความหนุ่มเอาแม้กระทั้งยาเสพติดเอาคนบ้าก็ได้มีคนบา้าเอามาบางดีก็สอนได้บางทีก็สอนไม่ได้คนบ้านะคนเป็นโรคประสาทคนเป็นอะไรแต่บา้าความคิดนี่พอได้อยู่แต่บา้าเลือดบา้าเชื่ออันนี้รักษาไม่ได้หางคนก็เป็นผี ผีปอบเขาไล่ผีปอบมาแต่ไม่อยู่มึงเลยนะอลูกสาวเขาอยู่ใกล้ๆว่าเขาไล่พ่อมาจากหลวงศัก์เขามาบอกเราว่าให้ให้ลวงพ่ออาจารย์มาก่อนหปนมเขาอาจารย์อาจารย์อาจารย์รักษาผีปอบเป็นไหมเออเป็นเพนสุให้พ่อหนู เขาไล่มาว่าพ่อหนูเป็นปอบคนตายทั้งบ้านเลยเอาไล่ออกจากบ้านมานันเลยบอกเอามาเนี่เอามาวัดจ้ะให้ให้เธอมาปลูกกไกตอพให้ใกล้ๆสาลาเนี่นะเขาก็มาปลูกกบก็ตอพให้พ่อเขามาอยู่มาส่งข้าวทุกวันทุกวันวเราก็ให้ปฏิบัติธรรมแนวก็ทำาห้ผู้แขนงใจนิดหน่อยให้เขาได้ลู่ตัววะ เราได้ทำอะไรให้เขาเดี๋ยวได้ผี ป, ปอบไม่มีแล้วลทํามนให้หน่อยหน่อยํามนก็มีอะไรล่ะอีดีไปโศกษาคาโตัวะไร้าเลมนรถให้ปลกผ้าตัวแก้หนแล้วก็ให้นอนอย่าให้ปฏิบัติธรรมยกอมมือร้างจีงว่ม า, มามาไม่ใหม่เราเจ้าหน่อยเนาะมันน <c oughs> ่าลายทีแบบ ก็หลวงพ่อก็อยู่ไม่ไกลศาลาเขาก็มาเรียกกลางคืนคสามตุ้มสีุ่มอาจารย์อาจารย์ผีปอบมันตามมาแล้วผีปอบตามมาแล้วผมนอนไม่ได้เลยมันควนตลอดเวลามันทําไงล่ะมันวิ่งอยู่บนศาลากกักกักกักกั ก, ก, ก, ก, ก, กตลอดเวลานอนไม่ได้พอผมมาจองไปดูมันก็ไม่เห็นีแหละไปไล่ปอบห้ด้วยไปไล่ปอบให้ด้วย เราก็ไปไปแล้วก็ไปเดินอยู่ใกล้ๆสะเสียงดังจริงก็ก็ะวิ่งไปดูไปเนีอ้าววดีอ่ะไปอาจารย์ไปดูบัเนี้ก็ขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรสายไปดูไม่มีอะไรพอลงไปเดินอยู่ที่บ้านเขาก็ทบเขาอยู่แว่าเดียวอยากดังอยู่ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ไปเอะ แล้วก็สังเกตเดี๋ยวมันอะไรวะอไปฉายสองก็ไม่มีอะไรผีปอบไหมฮะอะไรกลัวไหมโอ้ผีหมสักดิ์มันดุขนาดนี้หรือมาวิ่งเนี่ยมันไล่ขนาดนี้หลวงพ่อผีปอบไหมหลวงพ่อจู่มันได้ไหมโอ้ยประชัอะไรไะผีผีใสญ่เออไจะจับมันนี่เลยจับมันวันนี้เลยแล้วก็แล้วก็ค่อย ต ก, ะ ก, ะ ก, ะ ก, ะกะ็จบลงที่เราก็สายไฟพัดลงไปไม่มีอะไรก็ขึ้นมาขึ้นมาศาลาศาลากระบวนแบบนี้ขึ้นมาศาลาที่นั่งฉันพวกเราก็อยู่เนี่ยมันมีฝาหลังคามีขวดตะมันมะพร้าวเวลาฉันเข้าเนี่ยเอามาทามื อ, อเอามาทามือเพราะว่าเราเลื่อยไม้กันทํากติ เรื่อยไม่ใช่ไหมก่อนนะทําเองไม่มีใครมาทําให้แล้วทํามาทาแล้วก็แบ่งกันทาทาเลยก็มาวา่าไอ้เจ๊มันไม่เชื่อขูกไม่เชื่อขุกคอขวดแล้วสังเกตว่าหนูคงมาคาบเอาเชือกเนี่ยมันได้กลิ่นว่ามันไม่เปิดไม่ได้มันหอมเนาะใช่ไหมหนูก็มาคาบเชือกนี่ยเว่งกบกบกบล้ สังเกตดตัวก so ็ก็จับอบกว่าน้องเท่าน้อยเท่ามาใช่ผงว่างจับเออจับผีเรื่อยวันจับผีปอบเ้ื่อยไปไปไปนอนไม่มีอีกแล้วต่อไปเลยพ่อใหญ่มั่นก็หายจากผีปอบเลยอ้ยกลับบ้านไม่มีแล้วผีปอบนะอันนี้ก็มีเพราะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามอย่าไปโทษอะไรที่นอกจากเหตุผลที่มั้นปีดอย่างนั้นอย่าไปโทษผีๆทั้ ง, งหรือกามอย่างดีมาโทษตัวเองมาดูตัวเองเนี่ยปฏิบัติธ ร, รมนะยอดเยี่ยมแล้วชาติเนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติแล้วที่จะละความชั่วที่ทําความดีไหโยมได้ ย, ยินบ่ได้ ย, ยินบ่ <笑>啊，那啊，咱这里吧，拜拜。拜拜